ผ่านปีหาเวลามันนับเคตรองถึงกีจที่ทำไปโดยทวนทีบันทึกลงทั้งเรื่องดีดูเข้าทีและเรื่องที่แย่โดดเด่นแล้วทกทวนเออะไรควรจะสานต่อหรือเสริมสางเออะไรบ้าง จะระวางไม่พันพวนปีนี้มีเพื่อดีขึ้นขอเชิญชวนหยุดเลวร้วนเหนาวลงอีกพอได้ใจปีใหม่มีพื่ดีขึ้นกว่าปีเก่าปีใหม่มีพื่ดีขึ้นกว่าปีเก่า ที่ทานของตินาเขียนไปฟ้าเอาไรนะจะกระทำเรื่องแค่ใครใส่เป้าหม้แล้วลงมือไม่รำไรยกจิตใจสูงขึ้นได้ยิ่งเข้าตาผ่านปีเก่าไปเพราะคนกันหมอดไว้ โลกหมุนเพียนตั้งกระแสทานดาราไม่นํำพาเก่าใหม่เป็นเช่นใดโลกหมุนเปียนตั้งกระแสทานดาราไม่นํำพาเก่าใหม่เป็นเช่นไรเป็นอิธานของตีนา่า ต <se> ั้มแค่ใครใส่อไแล้วลงมือไม่รำไยกจิตใจสูงขึ้นได้ิ่เข้าตาโลกหมนเปลี่ยนตามกแสนดาราไม่นาพาเก่าใหม่เป็นชื่น ต้า